ลำพังให้จิตเข้าช่วยบริหารร่างกายมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นองค์ประกอบอื่นๆก็จำเป็นทั้งการกินการนอนการออกกำลังกายก็ต้องสมดุลกันด้วยและรวมถึงทุกอย่างมันก็อยู่ในหลักไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงแม้จิตจะเชื่อว่ายังเป็นเด็กแต่มันก็แค่ชะลอทุกอย่างมันมีวันหมดอายุเสมอนะครับร่างกายคนเราวันหนึ่งก็ต้องแก่แต่จะแก่แบบไร้แรงหมดสภาพ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 ไม่ได้หมายความว่าต้อง500รชาติพอดีนะครับเมื่อ Lean, สัตว์ที่ต้องเกิดซ้ําๆเป็นสัตว์เดิมๆหลายชาติจิตเขาก็สะสมข้อมูลว่าอวัยวะเนี้ยไม่ต้องใช้ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องสร้างมันออกมาในที่สุดสัตว์หลายชนิดก็พัฒนาจนปีกหายไปบ้างขาหายไปบ้างเพิ่มอวัยวะบางอย่างมาบ้างอย่างที่เห็นๆกันนั่นแหละครับ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 ก็จะเกิดมามือสวยหลายคนขี้เกียจชอบผักภาระให้คนอื่นเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนเขาก็ให้เราเกิดมาอ้วนสมกับน้าหนักกรรมต้องแบกน้าหนักตัวเองให้เหนื่อยทำอะไรก็ลาบากกว่าคนอื่นแล้วก็ให้สังเกตนะครับบางคนเนี่ยออกกำลังกายแทบตายก็ไม่ยอมผอมหุ่นก็ไม่ดีสักทีนะครับเพราะว่าเขาสะสมข้อมูลแห่งความเป็นคนอ้วนไว้หนาแน่นมาก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 มันมีปัจจัยหลายอย่างบางคนอธิษฐานให้ตัวเองขี้เหล่นในชาติหน้าก็มีนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าผู้หญิงบางคนเกิดมาอ้วนทำยังไงก็หุนไม่ดีพอไปสะกดจิตระลึกชาติได้เท่านั้นถึงรู้ว่าในชาติก่อนเธอเกิดเป็นหญิงงามแล้วก็ด้วยความงามของเธอที่เป็นภัยกับตัวเองนะครับคือสวยมากจนถูกคัดเลือกให้เป็นนาบําเรอประจาเมือง เธอก็เลยอธิษฐานจิตไว้ว่าเกิดชาตินหน้าชันใดขอให้เกิดมาขี้เรแต่ก็ปรากฏว่าในชาติปัจจุบันก็ทําให้เธอเป็นคนที่มีน้ําหนักตัวมากแล้วก็เป็นคนขี้เรสมใจนะครับเรื่องตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการโปรแกรมจิตแบบตั้งใจนะครับก็คือเป็นการให้ข้อมูลกับจิตตัวเองว่าไม่ต้องการเกิดมาสวยอีกแล้วจิตเขาก็จําข้อมูลนี้ไว้แล้วเมื่อเกิดใหม่ก็ไม่สวยสมใจ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 แล้วก็จะดูน่าคบหาอย่างที่เขาเรียกว่างโงเ่เฮงดีนะครับก็ไม่อยากบอกนะครับว่าตัวผมเองก็เปลี่ยนจนหลายคนต้องอึ้งว่าบุญกุศลเนี่ยมันเปลี่ยนผีเป็นคนได้ขนาดนี้เชียวเหรอ